ขยายความอาไวา้อธิบายเอาไวา้ให้มีความแจมแจ้งมาก่อนหน้านี้แล้วนั่นคือพระรุ่นก่อนๆของข้าพเจ้าเองก็ตามท่านเหล่านั้นท่านกระทาหน้าที่ของท่านในในการที่นําพระสูตรพระวินัยต่างๆมาอาธิบายให้ฟังแต่ในคําอธิบายของท่านที่ได้อธิบายให้มีความแจมแจ้งถึงที่สุดตามความสามารถของแต่ละท่านแต่ละองค์นั้นก็มีบันทึกเอาไว้บ้างที่นั่นที่นี่บ้างและข้าพเจ้าก็ไปศึกษาหาความรู้ในทั้งสองส่วน เพื่อที่จะนําความรู้นั้นมาอธิบายให้ท่านผู้ฟังฟังนะโดยจะให้ฟังประสศุดเรื่องราวที่เป็นพุทธพจน์แต่เป็นสิ่งที่พุชาตรัสเอไว้แ น, ะน่นอนละ่ะการดําเนินเรื่องบางทีเขาก็เป็นคำรรอธิบายบ้างนะเขาก็จะบอกว่าพระพุชาตรัสไว้ตรงนี้ตรงนี้อีกคนนึงพูดไว้อย่างนี้แตนะ่เป็นการคุยกันบ้างเป็นบทสนทนาบ้างเป็นเรื่องราวอธิบายถึงภูมิประเทศถึงสถานการณ์ใน ขณะนั้นต่างๆบ้างว่าเป็นอย่างไรอย่างไรอันนี้คือลักษณะของพระสูตรเป็นลักษณะของเรื่องราวที่เล่าบ้างแต่เป็นคําอุทานบ้างแต่เป็นข้อมูลต่างๆบ้างมีหลายอย่างนํามาพูดคุยให้ฟังแล้วก็เป็นหน้าที่ที่เมื่อได้ฟังทําให้ได้ฟังแล้วก็นํามาอธิบายให้แจ่มแจ้งถึงที่สุดทําฟังบางท่านก็นิยมที่จะฟังพุทธพจน์ บางท่านฟังแล้วต้องการคำอธิบายเพิ่มเติมในสัปดาห์นี้เราได้ให้ฟังเรื่องของสัจกะนิครนบุตรเป็นพระสูตรที่มาในมัชฌิมนิกายและก็เป็นพระสูตรเล็กในสัจกะนิครนเนี่ยเรื่องของสัจกะนิครนบุตรเนี่ยมีอยู่สองพระสูตรแต่จริงๆแล้วชื่อนี้ก็ปรากฏอยู่ในหลายเรื่องหลายราวแต่ว่ามีสูตรเล็กกับสูตรใหญ่คือเรื่องอย่างสั้นกับเรื่องอย่างยาว ที่ให้ท่านผู้ฟังได้มาฟังนั้นเป็นเรื่องอย่างเล็กอย่างสั้นก็พูดถึงปริพาชก ค, คนหนึ่งที่ชื่อสัจกะแตเป็นบุตรของนิครนเขาก็เลยเรียกว่าสัจกะนิครนบุตรแต่อย่างท่านพระสารีบุตรเนี่ยเป็นบุตรของนางสารีเขาก็เลยเรียกว่าสารีบุตรเป็นต้นเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่เมืองเวสาลีแต่มีป่าที่ชื่อว่าป่าใหญ่ภาษาบาลีเขาเขาใช้ป่ามาหาวันนั่นแหละ นะป่ามาหาวันนี่ก็จะปรากฏอยู่หลายที่เหมือนกันเอ๊เมือง น, นั้นก็มีป่ามาหาวันเอ๊เมือง น, นี้ทำไมมีป่ามาหาวันอีกนะนั่นะก็คือเป็นป่าใหญ่นั่นแหละนะที่อยู่รอบๆ บ, บ, บริเวณเมืองเวสาลีซึ่งในที่นั้นนะเรื่องราวก็มีอยู่ว่ามีสัจจการนิครนนะเขาก็เป็นนักโตวาทะสัจจการนิครนนี้เป็นมาอย่างไรนะก็เป็นลูกของนิครนนะะั่นแหะมีนิครนสองคนนะเป็นผู้ชายกับผู้หญิง าาแล้วก็โต้วาทะกันแตะไม่มีใครชนะใครแต่ต่างคนต่างมีความรู้พอเสมอกันรวาทะทั้ง500คําถามอะไรต่างๆแต่งกันไปตอบกันมาแต่งกันไปตอบกันมาแล้วก็ไม่มีใครชนะใครได้ก็เลยอยู่กินกันเป็นสามีภรรยาแล้วก็มีลูกด้วยกัน5คนแต่4คนแรกเป็นผู้หญิงแล้วก็คนสุดท้ายก็คือสัจกะนิคนบุตรนั่นเอง สี่คนแรกนี้ก็เป็นปริภาชกเป็นปริภาชิกา4คนก็ได้ไปเคยเตี้ยวโตวาท่ากับคนนั้นคนนี้แตนะ่โดยลักษณะว่าเอาใช้กิ่งไม้ว่านะปักบนกองทรายที่หน้าเมืองถ้าใครมาต้องการจะโตวาทากับตนล้วนะก็เอากิ่งไม้นี้ไปแล้วก็จะมาทําการโตวาท่ากันนะเป็นลักษณะของการประกาศตัวให้ท้าคนอื่นมาโตวาท่าแต่ซึ่งในที่นั้นตอนนั้น ได้ไปอยู่ที่เมืองเชตาวน์4คนผู้หญิงเนี่ยปริภาชิกาทั้ง4คนอพอไปอยู่ที่เมืองเชตาวน แ, แล้วก็ได้มีโอกาสโตวาัฏากับท่านพระสารีบุตรแต่ท่านพระสารีบุตรก็ชนะละ่ะเพระท่านก็เคยเรียนพวกคําถามคําตอบอะไร500อย่างนี้มาแล้วก็ถามให้มันเหนือขึ้นไปแต่4คนนี้ก็ตอบไม่ได้ก็เลยบวชในสำนักของนางพิกษุณีแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ เรื่องราวตรงนี้ก็ยังมีที่พิสดารราเรียดลงไปอีกนะถ้ามีโอกาส ก, ก็จะหามาเล่าให้ตัมบูฟังฟังได้ส่วนตัวน้องชายนะ่คือที่ชื่อสัจจกะเนี่ยนอกจากเขาจะเรียนความรู้จากมารดาบิดานะที่พูดถึงว่าการโตวาทะ้0 0อยอย่างนี้แล้วนะเขาก็ไปหาความรู้ความเรียนนะในที่นั่นที่นี่อีกนะเรียนมากรู้มากจนกระทั่งว่า ตัวเองเนี่ยกลัวว่าไอ้ความรู้ความเรียนที่ตัวเองเรียนมารู้มาเนี่ยมันจะทะลักออกนะกลัวมันหล่นออกแต่เขาก็เลยเอาแผ่นเหล็กเนี่ยมาคาดไว้ที่ท้องท้องก็ไม่รู้ว่าโตรหรือแฟบละแต่เอาแผ่นเหล็กมาคาดไว้ที่ท้องนะีกลัวว่าไอ้ความรู้ที่ตัวเองมาเนี่ยมันจะไหลออกนะีคือเหมือนกับปัจจุบันเนี้ยเขาก็อาจจะเอาหาหมวกมาใส่นะีกลัวว่าความรู้ในสมองมันจะกระชอกออก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 หวาดวันนะไม่ต้องกล่าวถึงมนุษย์เลยพูดกับเสาเขาก็อย่างแพ้เอาคิดดูจะไปพูดถึงอะไรกับมนุษย์ไว้่าันต้นเสาในที่นี้ไม่ใช่เสาไฟฟ้านะสมัยก่อนยังไม่มีไฟฟ้าก็อาจจะหมายถึงต้นสาธรรมดาแต่เสาไฟฟ้านี่เขาก็ไม่ได้ลงเลือกตั้งนะเป็นต้นเสาที่ตั้งอยู่เฉยแต่สัจกะนิกรต น, นี่เขาก็เปรียบเทียบให้ฟังว่าต่อให้ต้นเสาตั้งอยู่เฉยนมาเกลี่ยเขาก็ยังต้องสะท้านหวาดวันไปอย่างนั้น มนุษย์นี่ไม่เหลือแน่นอนต้องเหงินแล้วเอกจากรักแร้วันไวส้สตอกสถานไปอยู่มาสมัยหนึ่งก็เลยได้เห็นท่านพระอัจชิเดินบินทบาทอยู่ก็เลยได้มีโอกาสจังหวะก็ไปถามว่าเฮ้ hey, พระเจ้าเนี่ยสอนอย่างไรในปกติพระเจ้านำสาวกทั้งหลายไปอย่างไรแต่เรื่องนี้คิดว่าหลายๆคนก็เคยได้ท่องในบทสวดมนต์ในที่ว่าคำสอนของพระผู้มีพระามีในสาวกเป็นส่วนมากคือว่า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 กองกองหนึ่งเช่นว่าถ้าเอากองแข็งของเหลวก๊าซสิ่งที่แตกสลายได้ถ้าดินน้ำไฟลมมากองๆรวมกันเราก็เรียกกองนี้ว่ารูปหรือเอาความรู้สึกที่เป็นสุขเป็นทุกข์ไม่ทุกข์ไม่สุขมารวมรวมกันเขาก็เรียกว่ากองเวทนาซึ่งพระุทธเจ้าก็แบ่งไว้อยู่ทั้งหมด5้ากองแต่เรื่องขันธ์ห้าเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าสอนมากที่สุดแต่สอนมากที่สุดคือเรื่องของทุกข์นั่นเองแต่ทุกข์เป็นยังไงแจ้แจงเอาไวา้ขันธ์ห้าคืออะไร ขนะควรเห็นอย่างไรขนะมีเหตุเกิดอย่างไรขันะมีคุณอย่างไรมีโทษอย่างไรแต่ทางยางไงให้ถึงความดับของขนะสอนไปเยอะมากนีซึ่งลักษณะแค่ประโยคตรงนี้ได้บอกว่ารูปไม่เที่ยงจนถึงวิญญาณไม่เที่ยงนี่ก็คือลักษณะของขนะใช่ไหมแล้วเราควรเห็นขนะอย่างไรแต่ก็คือควรเห็นโดวยว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยไม่ใช่ตัวตนไอ้เจ้าสังขารทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนนำทั้งหลาย ไม่ใช่ตัวตนแต่สอนอย่างนี้เป็นส่วนมากาคือเรื่องขันห้าไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรยึดถือเอาไวา้แต่ไอ้สิ่งที่ไม่ควรยึดถือเอาไว้เนี่ยจะเป็นผลของความที่เราเห็นว่ามันไม่เที่ยงแตคือตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญถ้าคุณเห็นไม่เที่ยงบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเห็นไม่ใช่ตัวตนบ่ bye, bye bye, bye bye, bye นอยๆบ่อยๆบ่อยๆจะทําให้เราวางได้แต่พระเจ้าจึงเน้นตรงนี้จึงพูดถึงเรื่องของทุกข์ ในส่วนที่ให้เราเห็นพิจรารณาอย่างไรนะพอได้ข้อมูลตรงนี้นั่นะคือสัจจกะนิครนนี่เขาก็ไม่ใช่บื้อๆนะท่านฟังเขาก็เป็นคนที่มีปัญญามันกันนะคือก่อนที่เขาจะไปโต้บวาทกัใครเขาก็หาข้อมูลก่อนนะหาข้อมูลีนที่นี้ก็หาจากใครก็หาจากท่านพระสัชชินี่แหละนะหาจากสาวกก่อนนะสาวกเราจะไปโต้บวาทากับพระพุทธเจ้าใช่ไหมก็ต้องหาข้อมูลก่อนเอ๊ะพระพุทธเจ้าสอนอะไร เน่ก็เลยถามท่านพระสัชชนินเองเนี่ยตรงนี้เพื่อที่จะได้ข้อมูลก่อนอ๋อคำสอนงี้ฉันยกวาทะได้แน่นอนฉันต่ยแตกโต้แตกเน่ก็คิดมุกไว้แล้วจงคําถามไว้เรียบร้อยนั้ว่าจะแก้อย่างไรในคําสอนที่พระเจ้าสอนตรงนี้ก็ได้เตรียมการแล้วทีนี้แต่ทีนี้ลักษณะการที่เขาจะไปโต้วาทะกับพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ไม่ได้ไปคนเดียวทีนี้แต่ก็ชวนพวกไปเนี่ยชวนพยานใบสกีพยาน ในที่นั้นคือเมืองเวสารีก็มีพวกกษัตริย์ที่ปกครองอยู่ก็เรียกว่ามาลดกษัตริย์นพวกเจ้าลิชวีก็เลยชวนเจ้าลิชวีจำนวนมากจำนว น, นที่นี้เขาก็ใช้ว่า500องค์นะไปกันไปกันว่าจะไปโตวัฒน์นะครับพระบรมเชาแต่บางส่วนก็คิดว่าเออไปดูก็ดีเหมือนกันนะแหมจะได้ดูว่าสัจจาณิกร น, นี้จะยกวาทโตวัฒอย่างไร บางส่วนบางพวกก็คิดว่าไม่มีทางจะทําได้แล้วก็เลยจะไปดูว่าจะพ่ายแพ้อย่างไรแต่มีทั้งสองส่วนสํานวนที่สักจะกะนิครนเนี่ยก็ไปชวนเจ้าลิชวีนี่คณะสนใจทั้งหมดแต่เป็นการคุยโวแบบคุยโตอย่างมากเลยตั้งแต่เรื่องของเสาไฟฟ้าล ะ, ละต้นเสาที่ถ้าตัวเองโต้วาทะละต้นเสาจะต้องสั่นสะเทือนนี่ก็อย่างหนึ่งนะแต่ตอนที่ชักชวนหมูคนะ่คณะพวกเจ้าลิชวีไปนี่ก็ คุยโว อ, อีกนะว่าถ้าจะไปพูดคุยกับผุรู้ช่าเนี่ยได้ข้อมูลจากท่านพระอัสชิอย่างนี้มาละไหนข้าพระเจ้าก็จะฉุดกระชากลากพระสมณโคโดมด้วยคำต่อคำนะคว่ำคาํานี้คว่ำคํานี้ลงแลนะเหมือนจับแกะที่ขนยาวฉุดกระชากลากไปลากมายาหรือเหมือนกับนักเรงสุรานะเขาดื่มจับถ้วยจะเป็นถ้วยชาถ้วยกาแฟหรือถ้วยสุราก็ตามที่หูแล้วก็ฟาดไปฟาดมาให้มันแตกนี้เป็นะปลักษณะนั้น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 อยู่ที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งแต่ตรงข้อมูลตรงนี้เราเราดูแล้วเราพิจารณาเห็นลักษณะความเป็นอยู่ของพระพุทธเาได้แต่ว่าตัวพระองค์เนี่ยพอรับประทานอาหารเสร็จฉันพระทหารเสร็จสเสวยเสร็จแล้วเนี่ยก็จะไปหลีกรินแต่ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ไปอยู่โคนไม้นั่งอยู่องค์เดียวไปเดินจงกรมอยู่ตามราวป่า ต, ตอนนั้นก็เหมือนกันลักษณะนี้พี่ศุตร์ทั้งหลายเขาก็ทําความเพียรกันอยู่ใช่ไหมเป็นกลุ่มเป็นก้อนพระพุทธเาก็หลีกไป ลีเล่นอยู่สักที่หนึ่งแล้วก็แสดงเห็นถึงลักษณะความเป็นอยู่ของพระพุทธเจ้าพอไปถึงเห็นพระพุชาแล้วแล้วก็กราบทักทายปราศัยกันก็นั่งในที่ส่วนควรข้างหนึ่งแลเจ้าลฤาวีต่างๆก็นั่งลงทํากิริยาต่างๆกันไปตามความปรารถนาของเขาไปทีนี้สัจกนิกรนก็เตรียมข้อมูลมาละแล้วก็เลยขอโอกาสพรุชาในการที่จะจะยกวาทะจะถาม กนะ็เลยถามพระเจ้าว่าเอ๊ะพระรูชาสอนอย่างไรแนะนําอย่างไรในที่นี้ก็มีผู้ที่อธิบายเอาไว้นะั่นคือพระเจ้าทราบอยู่แล้วณนะว่าท่านพระอัสชิเนี่ยตอบอย่างไรนะั่นคือท่านพระอัสชิเนี่ยได้สรุปข้อนี้ก่อนนั่นะคือได้เป็นข้อสรุปของตัวเองที่บอกว่าพระรูชาเนี่ยสอนส่วนมากนันะส่วนมากแล้วจะสอนว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณเนี่ยไม่เที่ยงนะแต่ในบทเพี้ยรชนะที่บอกว่าตัวพระองค์เองสอนอย่างนี้โดยส่วนมากเนี่ย พระพุทธเจ้ายังไม่เคยพูดที่ไหนนะี่ยังไม่ได้เคยพูดที่ไหนมาก่อนแต่ท่านพระอัสชีเนี่ยฟังคําสอนแล้วก็ได้ข้อสรุปของตัวเองน่ะจึงบอกกับสัจจการนิกรนเนี่ยว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนโดยส่วนนี้สอนเรื่องของขันห้าว่าไม่เที่ยงนะไม่ใช่ตัวตนนะไม่มีตัวตนเนี่ยสอนเรื่องนี้เป็นส่วนมากซึ่งอันนี้เป็นข้อสรุปของท่านพระอัสชีเองนะที่ได้พูดไว้ก่อนแต่บทปัญจนะที่บอกว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยง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 ไอ้เจ้าสัจจกานิครณิยกวาทะได้อา้าวทำไมสาวุคพูดอย่างหนึ่งพระยาพูดอย่างนึงแล้วก็เลยกำหนดบทพียญชนะเนี่ยให้เหมือนเป๊ะนะครับของท่านพระอัสสชินั่นเองนั่นก็คือบอกว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาไม่เที่ยงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาเนี่ยไม่ใช่ตัวตนสังขารทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนต่ทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนเป็นลักษณะ น, นี้เหมือนกัน กำห น, นดผลเป็นชนะเดียวกันพอพระเจากล่าวาอย่างนีนะ้ซึ่งสอดคล้องกับที่ท่านพระอัสสชิได้เคยกล่าวเอาไว้ศานะ ส, สนาที่โกรธก็โตไม่ได้ล่ะนี่ข้อที่1นึ่แต่ถไปก็เลยเตรียมข้อมูลที่ที่ตัวเองเตรียมมาโดยการยกอุปมาอุปไมยเหนือปนะเปรียบเทียบเหมือนกับการงานที่เราจะต้องทํานะก็ต้องอาศัยแผ่นดินนะถ้าดินมันไม่ใช่ตัวตนเป็นของที่ไม่มีตัวตนแล้วมันจะอยู่ได้อย่างไรนะหรือว่าต้นไม้ใบไม้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 แต่ของความเป็นพระราชาที่ตัวเองมีถามสัจจการนิครนว่าอย่างนี้สัจจการนิครนก็เห็นด้วยน่นเาใช่เขาสามารถทำได้สามารถสั่งการได้นั่นเพราะว่าเป็นผู้มีเวนเป็นผู้มีอานาจมีอำนาจเหนือในสิ่งต่างในประเทศของตัวเองะจะให้ทำยังไงก็ได้มีอำนาจแน่นอนผู้เช่าก็เลยเอาอุปมาของสัจจการนิคร น, นกับอุปมาที่พระองค์ยกขึ้นเนี่ย มาผูกรวมกันที่นี้โดยการถามสัจจการนิครนี้นะว่าอ้าถ้าอย่างนั้นแตนะ่ถ้ารูปท่านบอกว่าเป็นตัวเป็นตนแต่เป็นของจับต้องได้ท่านมีอํานาจเหนือมันแตนะ่แล้วท่านมีอํานาจในการที่จะสั่งได้ไหมว่ารูปเป็นอย่างนีนะ้รูปอย่าได้เป็นอย่างนี้เลยนี่ถามแค่เนี้ยนะเอาสองอุ ป, ปมาอุปไมยเนี่ยมาผูกกันสัจจการนิครนี้ยกขึ้นมาบอกว่ารูปนี่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 นะ่นก็เลยนิ่งนะหมดคำพูดทีนี้นะคิดไม่ออกแล้วหมดมุกแล้วทีนี้พระปเจ้าก็เลยถามครั้งที่สองนะถามครั้งที่ส อ, อีกเหมือนเดิมถ้าบอกว่ า, เ, าเรารูปเป็นตัวนจริงๆเป็นของเราจริงๆนั่นะเราก็ต้องสั่งได้สิว่ารูปจงเป็นอย่างนี้นั่นะอย่าได้เป็นอย่างนั้นเสจากกนิกรตนี้ก็ถูกถามครั้งที่2ก็นิ่งอยู่อีกนะตอบไม่ได้หมดคำพูดนั่นะก็เคินละเริ่มละ เนื้อก็เริ่มที่จะไหลออกจากรักแร้ละพระเจ้าก็เลยบอกว่าเราถามนี้ก็ต้องตอบแต่ถ้าใครที่ถูกพระพุทธเจ้าถามปัญหาที่ชอบด้วยเหตุผลแล้วไม่ตอบเนี่ยสีสันจะต้องแตกเป็น7เสียงแต่นี่อาจจะเป็นสำนวนที่ได้กล่าวขึ้ น, นเพราะว่าในที่อื่นก็มีการกล่าวขึ้นอย่างนี้เหมือนกันแต่ในที่นั้นเ น, นี่ยในพุทธศูนย์เขาเล่าให้ฟังว่ามียักษ์ชื่อวชิราปาณีถือตะบองเพชรตะบองที่ทําจากเพชร แล้วก็มีไฟลุกโพรงค์ชดช่วงอยู่อยู่ยืนอยู่เหนือสัจจกะนิครนผุคนนี้ซึ่งยักษ์ตนนี้เนี่ย เ, เห็นเฉพาะสัจจกะนิครนนะคับพระพทธเจ้านั้นสองคนที่เห็นยักษ์ตนนี้แตนะ่มีการแก้ว่ายักษ์นี้มาจากไหนแล้วก็เป็นนิมิตเป็นการแปลงกายของเท้าส ก, กะเทวราชนะ์ซึ่งมาขมคู่ละผู้พุทธเาพูดว่าศีลสัจะต้องแตกเป็นเจ็ดเสียง เอออะไรที่จะเป็นเหตุให้ศีรษะแตกได้ศัจการนิครนนี้เห็นยักษ์น่ะมายืนอยู่ตรงนั้นหน้าของตัวเองเนี่ยเจ้าลิชวีไม่เห็นมีแต่ผู้รูากับตัวศัจการนิครนเท่านั้นที่เห็นนั่ก็กลัวเลทีนี้ว่าตายละถ้าถามอีกครั้งหนึ่งแล้วฉันไม่ตอบนี่ฉันเสร็จแน่นอนศีรษะแตกเป็นเจเสียงเห็นอย่างนี้แล้วน่นก็ตกใจน่นกลัวจนขนพรองสยองกล่าวเงื่อไหลออกจากรากัรกดาทีนี้ เราก็ทํายังไงเราก็เลยมีความคิดว่าโอ๊ยเจ้าลิชวีนี่ก็พึ่งไม่ได้แนนะ่ในที่นี้จะพึ่งใครดีก็ต้องพึ่งพระปรูลาแตนะ่ไม่มีใครพึ่งแล้วนอกจากพึ่งพระปรูลาเท่านั้นนะก็จึงบอกป ร, ปรูลา ว, ว่าเอางั้นขอให้ท่านถามเถอนะแล้วเราจะตอบนะคือตรงนั้นหมดที่พึ่งแล้วนะท่านฟังรอคิดดูนะมีภัยอยู่ต่อหน้านะคือยกักถือตะบองเพชรนะที่มีไฟลุกชดช่วงอยู่จะตีศีรษะของตัวเองแล้วกนะ็จะต้องพึ่งใครล่นะในใจก็คิดว่า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 ริบซับคนนี้ในประทคนนั้นสั่งไม่ได้ทั้งๆ ท, ที่รูปนั้นเป็นของเราแตนะ่พอพูดอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเอาคิดให้ดีๆนะกินให้ดีๆนะคําแรกที่ท่านพูดนะบอกว่ารูปเป็นของเราเป็นตัวตนของเราแต่ครั้งนี้ท่านบอกว่ารูปที่เป็นของเรานั้นเรากลับสั่งไม่ได้นะมันแย้งกันมันขัดกันแตนะ่พระพุทธเจ้าก็ไล่ถามไปนะตั้งแต่เรื่องของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ แต่ถามอยู่5ครั้งขัจรการนิโครก็ตอบว่าไม่ได้หมดนั่นะไม่สามารถสั่งความรู้สึกนะั่ว่าเราจงรู้สึกอย่างนี้อย่าได้รู้สึกอย่างนั้นหรือว่าไม่สามารถสั่งสัญญาสังขารและวิญญาณนะัให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้มีอำนาจในสิ่งนั้นได้เลยในแต่ละครั้งที่ตอบนั้นพระรชาก็ให้คิดให้ดีนะบอกว่าให้ขัจรการนิโครเนี่ยพิจารณาคิดให้ถี่ถ้วนนะเพราะคํามันแย่งกันแล้ว เราก็ถามต่อบอกว่าไอ้รูปหรือเวทนาสัญญาสังการวิญญาณเนี่ยมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงใ น, น, น, นสัจจการนิโคนก็บอกว่าไม่เที่ยงอันนี้เห็นๆกันอยู่แต่สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเราก็ตอบว่าเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอัตตารหรือเป็นอนัตตาเป็นตัวตนของเราหรือไม่ใช่ตัวตนก็ ต, กตอบว่าไม่ใช่ตัวตนของเราแต่ตรงนี้คืออนัตตาแต่พระเจ้าต้องการให้เห็นตากะว่า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 หารอบเนะน่เพื่อให้มีความเข้าใจแจ่มแจ้งตัวท่านผู้ฟังเองลองพิจารณาตามแตนะ่ความรู้สึกใดความรู้สึกหนึ่งในะร่างกายของเราที่เรามีอยู่แตนะ่เราเห็นมันโดยความเป็นของเที่ยงหรือไม่เที่ยงเอ๊ะแต่มันเกิดขึ้นนะแตนะ่ถ้าเกิดขึ้นนะมันเกิดขึ้นตลอดไหมเอ๊ะทำไมตลอดอแสดงว่ามันไม่เที่ยงแตนะ่ไม่เที่ยงแล้วมันเป็นทุกข์หรือเป็นสุขพิจารณาดูดีๆเออมันทําให้เราทุกข์นะบางทีเราก็กังวลว่าไอ้นี่มันเป็นอะไรฉันเป็นอะไรไหมร่างกายฉันเป็นยังไง เนสิ stream, Tim, no part, food food. Whole, ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตานะมันเป็นทุกข์มันก็มีคุณสมบัติของความเป็นอนัตตานั้นสิ่งที่เป็นอนัตตาเนี่ยที่เราจะเอามาเป็นของเราได้ไหมหรือเราจะถือว่านี่เป็นตัวเราหรือเราจะถือว่าเรามีในสิ่งนี้ไม่ได้เลยเนื่องเพราะว่านั่นเป็นความทุกข์เอ้าเราจะเอาทุกข์มาใส่หัวทําไมก็ควรจะต้องวางซะควรจะเห็นว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ของเรานะไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราในที่นั้นพระเจ้าได้ถามสัจจกานิครณเนี่ยเป็นสองสองในยะ ทั้งทางบวกและทางลบในทางบวกก็คือว่าอ้าวถ้าเราเห็นว่านั่นเป็นตัวเราของเราเป็นตัวตนของเราอย่างนี้เราจ ะ, ะทําทุกข์ให้สิ้นไปได้หรือไม่แในศาสนานี e. ่คนก็บอก <c oughs> ไม่ได้เลยถ้าเห็นว่าเป็นตัวเราทุกข์มันก็ต้องมีอยู่ถามในทางอีกด้านหนึง่งเนยก็ถามว่าเฮ้ <c oughs> ถ้าเราไม่เห็นว่านั่นเป็นตัวเราของเราเป็นตัวนตนของเราแล้วเน <lecture> จะทําทุกข์ให้สิ้นไปได้หรือไม่ทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นกับเราในศาสนานิคนก็เห็นด้วยอย่างนั้น พระเาในที่นั้นก็ยกอุปมาอุปไมยในะพื้นที่จะเปรียบเทียบในเรื่องของบทสนทนาตรงนี้เอาไวนะ้เปรียบเหมือนคนที่ต้องการแก่นไม้ในะสวะส่อหาแก่นไม้เข้าไปในป่าในะมีควานไปด้วยคมกริบเลยในะจะไปเจอต้นกล้วยในะจะเป็นต้นกล้วยป่าก็ได้ในะที่ต้นมันใหญ่ๆหน่อยนะแล้วก็โคนมันดำดำในะปลายปลีกล้วยเนี่ยมันอาจะจะชี้ขึ้นอย่างนี้ในะด้วยเอ่อความประสงค์ตรง น, นี้ก็เลยไปตัดต้นกล้วยนั้นในะคิดว่าจะมีแก่น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 นะี่ปอกกาบออกทีละกาบทีละกีบทีละกาบทีละกีบคลี่ออกลอกออกเปิดออกฮะแก่นไม่มีเนะี่ก็ถึงความแจ่มแจ้งแล้วโอ้เราจะมายึดถือว่าอันนี้เป็นแก่นไม่ได้เนะีจะไม่มีสิ่งใดที่จะให้เรายึดถือได้เนะี่เป็นตัวอย่างที่ให้เปรียบเทียบว่าถ้าไอ้ของอะไรที่เราคิดว่าข้างในมันจะมีแก่น่ะคุณดูดีๆเนี่ยนะคุณต้องการแก่นด้านไปตัดต้นกล้วยเนะี่ยคุณต้องการความมั่นคง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 นะไหลออกจากรักแร่นะตัวสันเพิ่มนะก้มหน้าซบเซาคอตกหมดปฏิา่านะซึ่งจัดสัจจการนิโครนั้นเป็นอย่างนั้นนะพูช้ชาก็เลยเปิดให้ดูว่าตัวพระองค์นี่ไม่มีเงอไหลนะในพระสุดก็บอกไว้ว่าอย่างนี้บุคคลที่อยู่ในที่นั้นนะก็มีเจ้าลิชบีทั้งห้าร้อคนนะคนหนึ่งชื่ อ, อทุมมุขก็เลยบอกขึ้นมาโอนา้นี่แมสัจจการนิโครนี้นั่งนิ่งอึ้งไปเลยนะเหมือนกับปู นะีที่อยู่ริมสระในสระโบกรีเนี่ยเขาเอาปูมาปูนี่ก็ที่เขาจะโชว์กล้ามนะว่าฉันนี่ฉันมีกล้ามนะชูแบงนู้นชูแปบงนี้นะกรมขี่คนนั้นคนนี้แตนะถ้าเราไปเห็นปูนานี่อยู่ตามนาเนี่ย เ, เวลามันขึ้นมาบนตลิ่งบนฝั่งเนี่ยมันไม่กลัวคนนะท่านฟังนะขับมอเตอร์ไซค์ผ่านพระเดยมิรบาสผ่านเนี่ยมันชูกล้ามเข้าใส่เลยในะคิดว่าตัวมันเก่งแตนะ่ตัวมันสามารถที่จะทําอันตรายคนอื่นได้